11สังคเพทะกะวัคหมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทําลายสงฆ์องค์ของภิกษุผู้ทําลายสงฆ์มีโทษ459ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแลต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดํารงอยู่ชั่วกับ แก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงประกอบได้องหา้าต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้องค์5คือหนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม สแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วิเนยว่าเป็นวิเนย 4. แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิเนย 5. อัมพรางความเห็นด้วยกรรมอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสง์ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลี ภิสุผู้ทำลายสงประกอบได้องค์5แม้อื่นอีกต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้องค์5คือ 1. แสดงอะธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งมิใช่วิไนว่าเป็นวิไนยัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งมิใช่วินัย 5. อัมพรางความเห็นด้วยอุเทศอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงประกอบได้องค์ห้านี้แหลต้องไปเกิดในอาบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงประกอบได้องค์ห้าแม้อื่นอีก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 ชี้แจงอัมพรางความเห็นอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสง์ประกอบได้องค์ห้านี้แลต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีภิกษุทำลายสง์ประกอบได้องค์ห้าแม้อื่นอีกต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรก ดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้องห้าคือ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่มิใช่วินยัย 5. อัมพรางความเห็นด้วยสวดประกาศอุบาลี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 1>, 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งมิใช่วิันว่าเป็นวิไนยัย 4. แสดงวิันว่าเป็นสิ่งมิใช่วิไนยัย 5. อัมพรางความเห็นด้วยการให้จับสลากอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสง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 1. สแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอาธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งมิใช่วินยัย 5. อัมพรางความเห็นชอบด้วยกรรมละอำพรางความเห็นชอบด้วยอุเทศละชี้แจงอำพรางความเห็นชอบ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 แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินัย 5. อํมพรางความพอใจด้วยกรรมละอํมพรางความพอใจด้วยอุทเทศละชี้แจงอํมพรางความพอใจละอํมพรางความพอใจด้วยสวยดประกาศละอํมพรางความพอใจด้วยการให้จับสลากอุบาลี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 อัมพรางสัญญาด้วยสวดประกาศและอัมพรางสัญญาด้วยการให้จับสลากอุบาลีภิกษุผู้ทําลายสงประกอบด้วยองค์ห้านี้แลต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้สังฆเพทะกกวักที่11จบหัวข้อประจำวัก